นี่ต่อไปนะที่บอกว่าไอการติดใจที่ไม่ยอมให้ทานได้ก็เพราะอะไรเพราะของมันขาดแคลนะ่ะมีของน้อยเนี่ยนะคือบางชาติเขนจนจนทำไงดีพระโพธิสัตว์บอกว่าเมื่อทายาราร ม, มีน้อยมีน้อยด้วยบอกพร่องด้วยคือมีของเนี่ยมีน้อยด้วยแล้วไม่ดีด้วยก็ศึกษาว่าบอกตัวเองเลยนะสมาทาน อธิฐานบอกตัวเองเลยว่าเมื่อก่อนเพราะเราไม่ชอบให้บัตรนี้เราจึงขาดแคลนปัจจัยอย่างนี้นะนะสมมติว่าอย่างชาวชนบทเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยเกิดมาคําว่ามีเนี่ยมันยุรู้ตัวตรงไหนมีข้าวสารไหมบอกไม่มีมีน้ําปลาไม่ไม่มีมีกะปิไม่ไม่มีถามหาอาหารชนิดไหนก็บอกไม่มีมีค่าไฟไหมเนี่ยจะจ่ายค่าไฟบอกไม่มีมีค่าน้ำไหมไม่มีหรือบางทีบอกมีค่าไฟค่าน้ํานี่ถือว่าสบายแล้วนะ บอกว่าในในในบ้านเนี่ยในต่มมีน้ํำไหมบอกไม่มีเนี่ยจะหุงข้าวแล้วมีฟืนไหมบอกไม่มีเนี่ยหนาวแล้วจะมีผ้าห่มไหมบอกไม่มีนี่ร้อนเนี่มีอะไรมาพัดไหมไม่มีเนี่ยจะเดินทางแล้วมีค่ารถไหมบอกไม่มีนี่ป่วยแล้วจะต้องหาอยู่หายาบอกพูดถึงคําไหนมีแต่คําว่าไม่มีมันแห้งแ้งน่ยนะเรียกว่ากันดารขาดแคลนไปหมดเลยบอกเลยว่าคนเหล่านี้เพราะเราไม่ชอบให้ เราไม่ได้ให้มาเป็นแน่แท้เราไม่ชอบให้เป็นแน่แท้ย้อนกลับไปหาอดีตเหตุเลยนะี่นะกลับไปหาอดีตะเหตุเลยว่าเราไม่ชอบให้เราไม่มีใจที่จะให้ไม่ยินดีในการให้ไม่เต็มใจให้เป็นแน่เราจึงทุกข์ยากเราถึงยากจนขนาดนี้ขาดแคลนอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัดนี้แม้เราจะเบียดเบียนตนเองด้วยทายรรมตามที่ได้นิดหน่อยก็าตาม คือเราจะมีของน้อยก็ตามมีของเลวก็ตามจะต้องให้ทานจนได้เนี่ยนะเราไม่ใช่เจ้าของสวนดอกไม้เก็บดอกบวบขมข้างรั้วให้ทานก็ยังดีมัก น, นก็คือน้อมไปเพื่อจะให้เราก็ไม่ต้องไปให้กับแข่งกับหมหาเศรษฐีที่ไหนหรอกเราก็เอาแข่งกับใจเราเนี่แหละถึงเราจะมีผ้าเก่าๆผ้าเร้าหมองก็เอาผ้าเส้าหมองของเราเนี่ยไปซักทาให้มันดีแล้วก็ทำบุญเนี่ยนะเราก็ให้ตามของที่เรามีอยู่นี่แหละ พานเราจะต้องให้ทานให้ได้นน้อมของที่จะให้ทานเนี่ยให้สำเร็จให้ได้เราจาบับบรรลุทานบารมีแม้ต่อไปจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอตอนนี้เรายากจนเอาเถอะเรามีของน้อยมีของไม่มากเช่นว่ามีผ้านี่ก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นเอาแบ่งเอาพาดบางชิ้นเนี่ยไปทำบุญให้ทาน แล้วเขบอกว่าด้วยผลของการให้ทานเนี่ยก็ขอให้เรามีผ้าเยอะๆเมื่อมีผ้าเยอะๆขอให้มีใจยินดีในการแจกจ่ายผ้าให้แจกผ้าเป็นทานหรือมีอาหารน้อยๆเนี่ยนะก็แบ่งเออหออาหารเหล่านี้ให้สัตว์ได้อิ่มได้รับประโยชน์เช่นว่าให้มดก็ได้ให้มดไม่มีที่ให้ยิ่งก็ให้มดให้เปลือให้แมลงให้เดรชาห์ให้สุนัขให้อะไรไปแล้วบอกว่าขอบุญที่เกิดจากการให้สัตว์เดรชาห์ขอให้เราบริบูรณ์ด้วยวัตถุข้าวของ ให้บริบูรณ์ด้วยข้าวเมื่อเรามีข้าวเป็นต้นแล้วเราจะยินดีในการให้ขอให้เรามีใจจำเนกพอใจที่จะให้ยินดีในการให้น้อมไปเพื่อการบริจาคเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะมีข้าวของจะมีข้าวเยอะๆก็จะน้อมอาหารทั้งหลายเป็นทานแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยก็ลักษณะเดียวกันตลอดจนถึงยุดยารักษาโรครูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะตอนแรกมีเล็กมีน้อยมีนิดมีหน่อยแล้วก็ ทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ใจก็จะยินดีในการให้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะการให้ทานของพระโพธิสัตว์เป็นการลงทุนเหมือนกันเถอะลงทุนให้ทานเพื่อให้มีทรัพย์เมื่อมีทรัพย์แล้วจะได้ให้จะได้สะสมเอาอัธยาศัยแห่งการให้สะสมบุญที่ที่เรียกว่าการให้จนถึงที่สุดมีอะไรให้ไม่ได้พร้อมที่จะให้ได้ตลอดการตลอดเวลาทุกสถานที่เพราะพระพุทธเจ้าคือคนที่ให้ เป็นนักให้จริงๆเลยนะพร้อมที่จะให้ได้ทุกเวลาทุกการทุกสถานที่ไม่เลือกพระองค์เนี่ยไปโปรดสัตว์เนี่ยไม่เลือกการสถานที่และบุคคลไม่เลือกชนชาติชั้นวรณนะพระองค์ช่วยได้ทั้งหมดขอให้พอที่จะช่วยเขาได้จนกว่าเรียกว่าอัธยาศัยในการในการไปให้เนี่ยเต็มบริบูรณ์พร้อมที่จะให้เขาได้เสมอถ้าหาว่าช่วยเขาได้จริงพระองค์เนี่ยทำได้จนถึงขนาดนั้ น, น, นชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นชีวิตแห่ง การให้เนี่ยนะท่านก็ต้องอาคือว่าให้เพื่อให้ให้เพื่อให้สะสมอัธยาศัยแห่งการให้จนการให้เต็มเปี่ยมพระพุทธเจ้าคือใครคือผู้มีแต่ให้เนี่ยนะผู้ที่มีแต่ให้ทําทุกอย่างเพื่อการให้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายทัานจะต้องสะสมอัธยาศัยตัวนี้ท่านก็เริ่มตั้งแต่ บ, บอกตัวเองเลยเนี่ยนะท่านแรกเลยบอกตัวเองที่เรายากจนเดือดร้อนเนี่ยก็เพราะเราไม่ให้มานะเพราะเราไม่ให้นี่แหละ เราจึงเดือดร้อนเพรา ะ, ะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยบริจาคมีฝ่ามือสะอาดยินดีในการเสียสละมีผู้ขอก็ยินดีในการแจกจ่ายทานตามมีตามได้ก็คือมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามสมควรที่จะทด้เนี่ยนะก็มีการทําอย่างเหมาะสมเพรา ะ, ะการผูกใจในทานข้อที่สองก็ถูกขจัดตัดขาดด้วยอาการอย่างนี้นะนะเขบอกว่าทัวในครั้งหนึ่งว่าถ้ามีของน้อยอะ่ะโอ้ยจะเอาอะไราไปทําบุญกับเขา ก็บอกว่าก็แบ่งไอ้ของที่มันน้อยนี่แหละไปทําบุญเนี่ยนะแบ่งของออที่น้อยน้อยนี่แหละสา ม, มารถที่จะให้ได้ข้อที่สามบอกว่าโอ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีแต่ของรักทั้งนั้นเลยเนี่ยนะจะให้ได้ยังไงอันนี้ก็อุตส่าห์ไปชอปปิ้งมาตั้งไกลเลยนะไปหาซื้อมาสักไกลเลยไปหาเก็บกว่าจะได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้สะสมมาขนาดนี้เราจะให้ได้ยังไงเนี่ยนะีก็ให้ไม่ได้สรุปไปนะห่วงมากท่านก็จะคิดว่า เมื่อจิตที่คิดจะไม่ให้เกิดขึ้นเพราะเสียดายของเสียดายทายาทรรมก็คือเสียดายของที่จะให้ก็เลยสั่งสอนตัวเองว่าดูก่อนสัตบุรุษท่านปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณที่ประเสริฐสูงสุดประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่หรือสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆอ่ะคืออะไรก็อเอามาคุยอ่ะคือว่าเอาเอาเอ า, เอามาคุยประเด็นหลักเลยว่าชีวิตจริงๆแล้วความต้องการที่สูงที่สุดของท่านอ่ะคืออะไรคือสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นท่านควรให้ททยธรรมที่พอใจอย่างยิ่งเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นประสูตรเ้ามีว่าผู้ให้ของรักย่อมได้ของรักเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสูงสุดจริงๆแล้วเรารักสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่หรือบอกใช่ของอันนี้เรารักใช่ไหมถ้าเราจะได้สัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นที่รักที่สูงสุดเราต้องสามารถให้ของที่เรารักเป็นทานได้ สามารถที่จะเสียสละของที่อย่างเช่นเรารักชีวิตก็ให้ชีวิตเป็นฐานเพื่อโภทยานเรารักอวัยวะก็ให้อวัยวะเพื่อโภทยานเรารักข้าวของเครื่องใช้รักบุตรภริยาเป็นต้นเราจะต้องให้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อโภทยานเพราะเรารักโภทยานมากกว่าอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ท่านก็รักแต่ว่าท่านรักโภทยานมากกว่าบุตรภริยาท่านก็รักแต่ท่านรัก โพธิยานมากกว่าเข้าของเครื่องใช้ทั้งปวงท่านท่านรังเกียจใช่ไหมบอกไม่แต่ท่านรักโพธิยานที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเพื่อโพธิยานเพื่อโพธิยามีอะไรที่จะจะทำไม่ได้เนี่ยนะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็บริจาคมีมือสะอาดยินดีในการเสียสละเมื่อมีผู้ขอก็ยินดีในการแจกจ่ายทานอันนี้เป็นวิธีแก้แก้ความตรนี ที่มาติดข้องหรือหวงแหนว่าเออเนี่ยมันของดีนะมัจฉริยะก็บอกโอ้เนี่ยกว่าเราจะได้สิ่งนี้มาหามาด้วยความทุกข์ความยากลำบากเราจะให้ได้ยังไงแต่นะอ้างโน่นอ้างนี่เพราะว่าคนที่ไม่ให้มันอ้างได้สารพัดจนไม่สามารถให้ได้แต่พระโพธิสัตว์อธิบายได้ทุกข้อว่าทำไมต้องให้ถ้าคนตรณีนะอธิบายจนไม่สามารถจะให้ได้แต่พระโพธิสัตว์ท่านคิดว่า ท่านยังไงก็ต้องให้อธิบายยังไงก็ต้องให้ถ้าตระหนี่มากเหลือเกินบอกให้ซะ ก, ก่อนแนละ้วค่อยว่าอีกทีมันงั้นเลยนะอันที่สี่ท่านบอกว่าเพราะบางทีเนี่ยเออถ้าเราให้ไปเนี่ยของเราก็มีน้อยอยู่แล้วทั้งมันก็สิ้นเปลืองสิเห็นไหมกลัวความสิ้นเปลืองแล้วทําไงพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อให้ทานย่อมเห็นความสิ้นเปลืองของไตรยธรรมในการใดให้ให้ไปเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยทำไงบางคนเนี่ยนะที่ไม่สามารถจะให้ได้เพราะคิดถึงคำว่าหมด แต่ว่าคนที่มีปัญญาก็บอกว่าเออถ้าให้จนหมดได้ไม่ต้องกลัวหมดแล้วต่อไปถ้าให้จนหมดได้จริงเนี่ยนะไม่ต้องกลัวหมดถ้าให้จนหมดตัวจริงๆแล้วเนี่ยทนะ่านบอกว่าไม่ต้องกลัวหมดแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถให้จนหมดตัวได้เชื่อเถอะท่านหมดแน่แต่ถ้าให้จนหมดตัวได้จริงๆให้จนหมดสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆไม่ต้องกลัวหมดเนั้ <ank>. fan, นอย่างที่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ท่านให้จนหมดตัวนะตั้งงั้นแนะ้วท่านไม่เคยเดือดร้อนเลยว่างั้นไม่เคยเดือดร้อนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลําบากแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะพื้นฐานมาจากเคยให้หมดตัวมาแล้วว่างั้นให้จนหมดตัวท่า น, นหลังจากนั้นท่านก็เลยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะอย่างโยมบางท่านก็เล่า ว, ว่ามันไม่มีอะแต่ว่ากู้ให้ทานซะ ก, ก่อนนะั้นกู้จนให้ทานไปตอนหลังก็ไม่ได้ข่าวว่าแกหมดตัวอะไรเนี่ยนะนะก็กินอิ่มนอนหลับสบายอยู่ตามเดิมแล้วก็ จะดูจะมีทานมากเกินไปจนน้ําหนักมันขึ้นแค่นั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยต้องมาแนะนําสั่งสอนตัวเองที่จะให้ว่าสภาพของโภคคาทั้งหลายเนี่ยนะมันมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างสมมุติว่าข้าวที่เราหุงเสร็จแล้วมันก็มีอายุของมันอาหารทุกชิ้นมีอายุของมันเนยนะถ้าเป็นยาก็เหมือนกันก็ควรบริโภคก่อนหรือสิ้นอายุเวลานั้นเวลานี้ข้าวของทุกอย่างมันมีอายุใช้งาน นะมันจะมีอายุใช้งานรถราบ้านช่องที่เอ่อแม้กระทั่งผลหมากรากไม้ทุกอย่างมันมีอายุซึ่งมันมีความสิ้นเป็นที่สุดมีความเสื่อมเป็นที่สุดแม้กระทั่งอยาว่าของภายนอเลยชีวิตของเรายังมีมีที่สิ้นสุดมีที่จบสิ้นวันสรุปวัสภาพของโภคะข้าวของเครื่องใช้เครื่องใช้ไม้สอยทุกชนิดอาหารทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีอายุของมันเป็นที่สุดเนี่ยนะ พราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้นะมันก็เสื่อมฟรีนะมันเสื่อมแบบอะไรนะเสื่อมแบบอย่างสมมติบเมล็ดข้าวเหมือนกันนะถ้าถ้าไปเก็บไว้หลายปีนี่ไม่ใช่ว่าข้าวเปลือกมันจะจะไปปลูกขึ้นนะปลูกไม่ขึ้นมันหมดเยื่อยางมันหมดเยื่อใยข้างในมันก็ไปเพาะไม่ขึ้นแล้วดูภายนอกมันจะสภาพข้าวเปลือกก็ตามแต่มันเป็นข้าวที่สิ้นสิ้นพืชสิ้นเยื่อใยเนี่ยนะสิ้นสิ้นอะไรคือสิ้นเยื่อใยสิ้นยางเนี่ยก็เพาะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าเก็บไว้อย่างนั้นพ่อก็ไม่ขึ้นกินก็ไม่ได้ในที่สุดก็กลายเป็นข้าวผุะนะทาตามชนบทสมัยใหม่เขานิยมใช้คำว่าข้าวผุถ้ามีข้าวข้าวเก็บจนเก่าแล้วมันก็ข้าวมันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ผุก็คือเอามาขยี้ขยี้แล้วมันก็ร่อนเป็นผงไปเฉยๆหมดสภาพหมดสภาพของข้าวกลายเป็นฝุน่นอ่างนั้นนะหมดสภาพอันนี้ก็คือในที่สุดข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายเนี่ยนะ แม้กระทั่งอาหารการกินทุกชนิดมันมีอายุของมันเหมือนพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าไม่อ่านก็ผุแน่เนี่ยนะเพราะฉนั้นก่อนอ่านก่อนที่จะผุเป็นต้นเนี่ยนะหรือชีวิตของเราถ้าไม่ใช้ให้มันเต็มที่เอามาใช้ทําบุญนะเดี๋ยวก็ผุเนี่ยนะเดี๋ยวก็เปื่อยแล้วก็ผุเนี่ยนะทั้งผุทั้งเปื่อยทั้งเน่าเอาทุกอย่างแหละนั้นถ้าไม่รีบใช้ทําบุญซะก่อนเนี่ยเดือดร้อนแน่มันก็มีเรียเร่ยวมีแรงก็รีบทำบุญให้มันเต็มที่ก่อนจะได้ไม่หนักใจในวันหลัง เพราสภาพของโภคะเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเพราะเราไม่ทําทานเช่นนั้นมาก่อนโภคะทั้งหลายจึงปรากฏความสิ้นไปอย่างนี้ก็คือบอกตัวเองว่าที่ของเราหมดเนี่ยนะที่หมดเพราะเราให้ทานมาไม่ดีก็ที่จริงเนี่ยการให้ทานเนี่ยทางธรรมะถือว่าเป็นการสั่งสมเป็นการสั่งสมเพื่อความไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถือว่าการให้เนี่ยนะ เป็นการทำให้ข้าวของเหล่านั้นอะ่ะไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักเสียหายเพราะฉะนั้นจึงน้อมไปเพื่อการให้นะ น, นบอกตัวเองเลยว่าถ้าของจะหมดจริงๆก็เพราะเราให้ไม่พอนี่แหละเราจึงของเหล่านี้มันจึงหมดเอาเถิดเราพึงให้ทยทยธรรมตามที่ได้น้อยก็ตามภัยบุญก็ตาม ของจะน้อยเราก็ให้ของจะมากเราก็จะให้เราอยู่ณที่ใดมีเท่าใดก็น้อมไปเพื่อการให้เราจะบรรลุที่สุดแห่งฐานบารมีต่อไปอย่าลืมว่าขนาดข้าวของเล็กๆน้อยๆยังให้ไม่ได้เอาจะให้มรรคผลคนอื่นได้อย่างไงเอาคือพระพุทธเจ้าคือใครคือคนที่ให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแกสัตว์พสัตว์ทั้งหลาย ทีนี้ถามว่าถ้าเราปรารถนาจะเป็นพระพูทธเจ้าแม้กระทั่งของเล็กๆน้อยๆยังจะให้ไม่ได้เอาแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติจะให้เขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ายังไงก็ต้องให้เนี่ยนะจะมีเล็กมีน้อยจะสิ้นเอา้าสิ้นก็ให้มา ง, งั้นแต่คือคนที่จะถึงสูงสุดจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าต้องให้จนเรียกว่าไม่รู้จะให้อย่างไงแล้วนะนั่นแหละจึงจะพอมา ง, งั้น ให้จนคำว่าให้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วเป็นอัธยาสายัยเป็นจิตใจของเราไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเหมือนเราสะสมความโกรธมาเนี่ยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องฝนตกหรือฟ้าผ่ามาเปรี้ยงเราก็โกรธหมดสรุปว่าเราจะโกรธได้กับทุกเรื่องเนี่ยนะเราไม่มีความสุขได้กับทุกเรื่องเพราะสะสมอัธยาศัยเช่นนั้นมาฉั้นใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็มาฝึกอัธยาสัยในการให้ทานจนสมบูรณ์ฉันนั้น พระโพธิสัตว์นั้นบริจาคมีมือสะอาดยินดีในการศสียสละมีผู้ขอยินดีในการแจกจ่ายทานให้ทานด้วยของตามที่ได้อันนี้เป็นการผูกใจข้อที่สีที่อ้างว่าเดี๋ยวหมดพระโพธิสัตว์ก็ถูกกำจัดตัดขาดด้วยอาการอย่างนี้การพิจารณาตามสมควรแล้วปัดเป่าไปเป็นอุบายของความไม่มีประโยชน์ ในอันผูกใจในฐานะบารมีด้วยอาการอย่างนี้จะต้องกําจัดออกไปนะต้องกำจัดจริงๆไอ้ความคิดที่เรียกว่าความคิดที่ใจวันๆหนึ่งตื่นตั้งแต่เช้ามาจนคำ่ำมีอะไรเคยคิดให้บ้างหรือเปล่าตั้งแต่เช้ามาจนค่าถ้าไม่มีความคิดว่าจะให้มันวับขึ้นมาในใจบ้างแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเรียกว่าสั่งสอนตัวเองบ้างได้เลยบอกว่าเรานี่อัธยาศัยของเรานี่ยเลวมากเลยนะ อัธยาศาัยของเราเนี่ยตนีมาขนาดนี้เลยเหรอเราเนี่ยมันมันมันมันจนขนาดนี้เลยจนใจเนี่ยนะใจของเรามันยากจนขนาดนี้บอกได้เลยว่าอนาคตต่อไปจะจนขนาดไหนเพราะแม้แต่ความคิดที่จะให้ยังไม่มีอนาคตเนี่ยบอกได้เลยว่าเดือดร้อนแน่อันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองบอกเออของมันน้อยเราจะให้ได้ยังไงเพราะของเราน้อยเอาก็น้อยก็เพราะไม่เคยให้มานั่นแหละมันจึงมีน้อยก็ออของเนี่ยมันของรัก เอาท่านรักอะไรที่สุดบอกรักโพธิยานก็บอกว่าเออเดี๋ยวให้ไปแล้วก็หมดก็เพราะให้ไม่พอนะั่นแหละมันจึงหมดสรุปว่าอธิบายว่าให้ทั้งหมดเนี่แหละนะนะยังไงก็ตามท่านจะอธิบายว่าต้องให้อ่ะนะอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่ามันแหมมันสอนตัวเองก่อนแล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่ให้อะ่ะบอกว่าการมอบตนแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระมหาสัตว์นั้นเป็นอุบายให้บารมีทั้งปวงเนี่ยสําเร็จ เพราะถ้าหากว่าไม่ถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้านะมันใจมันก็ไม่ยอมน้อมไปเพื่อจะให้จริงอยู่พระมหาบุรุษนั้นมอบตนแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วดำรงอยู่เพียรพยายามเพื่อความบริบูรณ์แห่งโพธิสมภารในบา ร, รมีนั้นๆั้นคือเมื่อเมื่อสละตัวเองเป็นของพระพุทธเจ้าไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะแล้วมีอะไรทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะถือว่าตัวเองทั้งหมดเนี่ยนะทั้งร่างกายและชีวิตเนี่ย เป็นของพระพุทธเจ้าและจะมาหวงแหนนุถนอมทําไมสิ่งเหล่านั้นเมื่อเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์อยากให้เราทํายังไงทาไปเถอะเพราว่าในโลกเนี้ทําเพื่อใครจะดีเท่าทําเพื่อพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเมื่อทุกอย่างทําเพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์รับหรือใครรับอาจริงอยู่นะทำเพื่อพระพุทธเจ้าจริงใครได้อ่คนทํานั่นแหละได้ทําเพื่อพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เขาบอกว่าอย่าว่าทวีคูณเลยคาว่าทวีคูณเนี่ยมันเล็กน้อยเนี่ยนะ ล้านล้านคูณเนี่ยนะแต่ทวีคูณตรีคูณจะตุทคูณเนี่ยคูณสองคูณสามคูณสี่มันคูณเล็กน้อยถ้าทําเพื่อพระพุทธเจ้ามันคูณแสนล้านคูณหมื่นล้านคูณล้านล้านคูณสิ่งที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้เพราะทําเพื่อบุคคลผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้เพราะนนั้บุญบารมีที่ทําไปนั้นจึงมีประมาณไม่ได้เพราะนนั้ถ้าสละทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วสิ่งที่เราทํานั้นจะกลายเป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเพียรพยายามเพื่อความบริบูรณ์แห่งโพธิสมภารจะต้องภาคเพียร น, นะนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นของพระพุทธเจ้าจะมาเกียรครานได้ยังไงเนี่ยนะเรียกว่าบุตรหลานของพระพุทธเจ้าหน่อของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพืชเชื้อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยความตรหนีมีไหมอยู่ด้วยความทุศีนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตัดอุปกรณ์ อันทําให้ร่างกายเป็นสุขทนได้ยากบ้างลำบากมีความยินดีได้ยากบ้างพินาศร้ายแรงอันฆ่าชีวิตไปน้อมนําเข้าไปในสัตว์และสังขารตั้งความปรารถนาว่าเราบริจาคอัตภาพนี้แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอการบริจาคนั้นจงเป็นผลในโลกนี้เถิด น, นะคือบางทีเนี่ยมันโอ้การให้ครั้งนี้เนี่ยมันเราเดือดร้อนนะรู้เลยอะ่ะจากการให้ครั้งนี้จากการบริจาคครั้งนี้เราทุกข์แน่เราลำบากแน่ เราเดือดร้อนแน่เอาถึงยังไงก็ตั้งเถอะเราสละอัตภาพนี้ถวายแก่พระพุทธเจ้าพันจะทุกข์จะพินาศจะเสียหายจะร้ายแรงจะเสียชีวิตสิ้นชีวิตแต่ก็ขอสละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อพระพุทธเจ้าพันนิมิตนั้นไม่หวั่นไม่ไหวไม่ถึงความเป็นอย่างอื่นแม้แต่น้อยเป็นผู้มีอธิฐานมั่นคงในการทากุศลโดยแท้ เพราะฉะนั้นการมอบตนการสละชีวิตของตนเพื่อพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้สําเร็จเรียกว่าเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรทําไม่ได้บ้างเนี่ยนะมีอะไรทําไม่ได้บ้างเพราะอะไรนะเพราะฉันทะใจรักที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอะไรก็บอกว่าจะให้ลุยน้ำเอ่อกัลุยน้ําลุยไสทุกอย่างก็จะทำเรียกว่าฝ่าดงน้ําฝ่าดงระเบิดอะไรเพื่อเพื่อเนเรียกว่าจะทําได้ทั้งหมดคือคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะ จะอุปสรรคขวางกั้นขนาดไหนจะต้องไปให้ได้เว้นไว้แต่ถ้าฝนตกก็ไม่ไปอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็เกินไปแล้วนี่ลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะนะบอกว่าบางคนเขานัดเจอกันนะบอกโอ้จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขนาดไหนก็ช่างเถอะจะต้องไปพบกันให้ได้วงเล็บเว้นไว้แต่ฝนตกนะถ้าอย่างงี้มันก็เกินไปใช่ไหมบางคนก็บอกโอ้โหเนี่ยเขาทําทุกอย่างเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านะ่นะนะเออแต่ว่าไอ้ต้นไม้ดอกนี้ต้นไม้ต้นนี้เอาให้ก่อนนะ น, นะอย่างอื่นให้ได้หมดเลยเว้นเว้นอัน น, ะนะั้นะถ้าอย่างนี้ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นะจะต้องสละตนเพื่อพระพุทธเจ้าเมื่อสละตนถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรที่ทําไม่ได้บ้างอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดย่อๆแล้วนะผู้สะสมบุญญาพินิหารตั้งความสั่งสมบุญตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีความเยื่อใหญ่ในตรงอย่างจืดจางมีความเยื่อใหยในผู้อื่นจเจริญ เป็นอุบายบารมีให้เหล่านั้นให้สําเร็จเป็นคนที่ไม่ค่อยรักตัวเองเนี่ยนะแต่รักคนอื่นมากกว่าเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่รักตัวเองเท่าไหร่เพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องทุกข์ขนาดไหนแต่เห็นความทุกข์ของคนอื่นตัวเองยอมทุกข์กว่าคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยนะจริงอยู่ เพราะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณความยื่อใหญ่ในตนของพระมหาสัตว์ผู้กระทำ ม, มหาปฏิธานตั้งความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เอาไว้เป็นผู้ไม่ติดธรรมทั้งปวงท่านไม่ติดเพราะอะไรเพราะท่านรอบรู้ตามความเป็นจริงถึงความสิ้นไปเพราะโดยปกติพื้นฐานอันหนึ่งเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ท่านให้ทานได้ดีให้ทานได้บ่อยให้ทานได้มากให้ทานได้เยอะอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะอาดีตเนี่ยท่าน ท่านเจริญวิปัสนาไว้มากนะนะพิจารณารอบรู้ในสัพพะสังขารทั้งหลายเห็นความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายโดยปกติก็เบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจของมหาวิปัสนาที่อบรมสั่งสมมาเป็นอย่างดีด้วยความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ด้วยปัญญาที่กว้างขวางเนี่ยนะพิจารณาโลกตามเป็นจริงะนะทั้งโดยความสิ้นไปเสื่อมไปโดยพื้นฐานก็มุ่งปฏิบัติเพื่อความ เบื่อหน่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างที่ให้ไม่ได้โดยเฉพาะพิจารณาภายในเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปเห็นความเป็นของไม่จีรังยั่งยืนของร่างกายและชีวิตมีอะไรบ้างจะให้ไม่ได้เนี่ยนะเมื่อเห็นถึงความความไม่แน่นอนนั้นก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเสียหายก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะแตกทำลายก็น้อมไปเพื่อการให้